ขออนิมทนาจารย์วัฒนชัยแสดงธรรมด้วย ข, อ น, อ, ข อ, อน้อมน้อมต่อคุณพนัตนาตรไรขอากาสะภาจาย์ภัยศารภาจารยูกิเพื่อนสัตทมิตรทุกท่านจเจริญธรรมมมชีและญาติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะ บางทีคนไปไหนมาไหนก็ต้องนําร่มติดตัวไปนะแต่บางครั้งเหมือนกับมันจะไม่มีฝนคนก็ไม่ได้นําร่มติดตัวไปนะมันมันไม่แน่ไม่นอนนะบางทีเธอไม่นําร่มติดตัวไปฝนตกมาก็เปียกเนาะไม่มีที่ล่มนะก็มีบางบางครั้งนะก็ไปบินระบาดเหมือนกันนะดูทองฟ้าอแจ่มใสนะทองฟ้าแจ่มใส คือบางทีมันจะมีท้องฟ้าที่มันคลื่มคลื่นะลักษณะคลายฝนจะตกเนี่ยตอนนั้นก็จะจะนํำลมไปบินบาดด้วยแต่บางทีฟ้าคลื่มคลื่นนะเอาร่มไปมันก็ไม่ตกไม่ตกเลยแต่บางครั้งฟ้าแจ่มใสนะแมฆก็มีน้อยเราไม่ได้นําลมไปนะบินบาดไปกลางทางปรากฏวนะ่าฝนตกนะฝนตกบางครั้งตกแรงด้วยตกแรงมาก แล้วก็อ่ลมก็ไม่มีนะก็ตากฝนไปนะเพราะว่ามันไม่มีที่พักเลยก็ไม่ไคยมีนะเปียกเปียกเนาะครันนี้ก็เหตุการณ์นี้มันก็นานๆมันก็เกิดทีมก็ไม่ได้เกิดบ่อยนะแต่ว่ามันลัก น, นั้นที่ว่ามันทําให้ต้องเปียกฝนนะถ้าเราล่มมาแล้วก็น่าจะไม่เปียกเนาะอันนี้เพราะว่าฝนเพราะว่ารมเนี่ยก็กันฝนได้ใช่ไนม ครันนี้ก็เหมือนกับคนเรานะคนเราถ้าถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไม่มีล่มติดไปในที่ต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนมากถ้าไม่เคยฝึกสติเนี่ยก็จะรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะใครเราคือเราจะกระทบอารมณ์อยู่เรื่อยๆนะมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เหมือนฝนเราก็ไม่รู้ว่าจะตกเมื่อไหร่ัเราก็ไม่ได้ส่วนส่วนมากก็จะไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ระวังตัว ไม่ระวังตัวคือจิตที่มันไม่ได้ฝึกมามันก็ดูไม่เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในความที่กระทบในความไม่พอใจต่างๆเนาะบางทีก็จากคาพูดบ้างนะบางทีได้ยินคําพูดอคนเข้ามาว่าเราเะว่าเราตรงๆก็มีใช่ไหมเราเราก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมานะจากการไม่พอใจเรารู้ไม่เท่าทันเราก็เถียงเขาอเถียงเขาบางทีต้องการอธิบายความจริงนะออสิ่งที่ สิ่งที่พูดมานั่นแหละไม่ถูกต้องอธิบายความจริงแต่จากการที่อธิบายความจริงถ้าเราไม่มีกำลังสติเนี่ยเราก็เหมือนกับเราก็อินอินเข้าไปในการอธิบายนั้นมันก็รุนแรงขึ้นใช่ไหมมันก็อารมณ์ที่มันค่อยๆแรงขึ้นเราก็รู้ไม่ทันปลายนันก็พูดมาแล้วก็พูดไปโต้ไปโต้มามันก็แรงขึ้นก็กลายเป็นโทสะเกิดเป็นอารมณ์ต่างๆบางทีก็แรงนะบางทีสามีภรรยาเนี่ย จริงๆแล้วหลายๆคู่ที่เลิกล้างกันไปก็เพราะรู้ไม่เท่าทันอารมณ์บางทีเรื่องเล็กนิดเดียวก็พูดอเถียงกันเรื่องเล็กน้อยเถียงไปเถียงมาก็กลายเป็นเจ้าเอาชนะกันะเจ้าชนะกันแต่ละต่างคนต่างไม่ยอมกันนะก็เลยไปคุยเรื่องเรื่องเก่าๆต่างๆที่ไม่ดีของแต่ละคนขึ้นมาพอเถียงไปเถียงมาก็ต่างคนต่างไม่ยอมกันก็เลยทากันเลยอ่าอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหม อ่าก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่อยู่ด้วยกันก็ได้เอาเดีเจ้ายังไงก็ได้ะเทียงไปเทียงมาก็เลยกลายเป็นเลิกราลงันไปจริงๆเนาะอันนี้นเพราะว่าต่างคนต่างรู้ไม่ทันจิตใจตัวเองใช่ไหมบางทีจากเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องต้ อ, อยารางกันก็มีเนาะแล้วก็ไม่คิดถึงว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วลูกจะทําทอย่างไรใชมันะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องใหญ่แต่ว่ามารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตน่ากลัวไป เพราะน้นบางทีผู้ใหญ่ก็จะบอกอย่างนี้นะเออเนี่ถ้าจะเลิกกันหรืออะไรให้ให้ลองดูสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งไปอทำเช่นนั้นจริงๆนะอาจจะต่างคนต่างอยู่กันก็ได้นะดูว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราปรับใจเป็นปกติแล้วก็คงจะเหมือนยังเก่าก็มันก็อยู่ด้วยกันได้อย่างเดิมแต่ถ้าตัดสินใจเวลามันก็แก้ไขา ย, ยากใช่หไหมเราต้องเลื่อนบลที่สามนะเช่นลูกเราเป็นต้นนะก็จะมีมีปัญหาตามมาขนาดไหน <c oughs> เนี่เพราะวันรู้ไม่เท่าทันอารมณ์แล้วก็เกิดเหตุ ไล่แรงเห็นไหมบางคนขับรถไปออืรถอีกคันขับมาปาดหน้าเอปาดหน้าแล้วก็ปุ๊บเนี่ยเราก็อคนนึกในใจ ấy, มันทําไมขับภาษาอะไรนะ น, นี่ทํธมากี้ไม่เหยียบเบรกนะ่าจะชนไปแล้วเนี่ยใสยไม่ดีขับแบบนี้นะเอา้าขับไปแล้วไม่ขับไปเร็วๆแบบเลยไปก็ไม่ว่านี่มันขับปาดหน้าแล้วมันวิ่งอยู่ข้างหน้าไม่ยอมไปเร็วแบบนี้ใสไม่ดีจริงๆนะ เนี่ยมันดูถูกกันนี่ว่ะเราก็ไปปาดหน้าเขากลับดีกว่านึกนี้ไปปาดหน้าเขากลับนะปาดหน้าเขากลับเราก็ปาดหน้าใส่เราก็ไปแกล้งวิ่งช้าต่อหน้าเขาอีกไอ้คันข้างหลังมันก็เลยโมโหมันก็ปาดเรากลับเราก็ปาดปยากปาดหน้าเขากลับคนนี้ถ้ารถเกิดคันไหนมีปืนเนี่ยใช่ไหมมันก็มีรมขึ้นมาตอนนั้นมันรุนแรงมันรุนแรงมันรู้ไม่เท่าทันอารมณ์อ่าชักปืนขึ้นมาปั๊บอ่าปาดหน้าไปเสมอกันเปิดกระจกข้างๆยิงใส่ รถอีกคันหนึ่งตายนะเนี่ยมันน่ากลัวมากยไม่รู้จักกันเลยใช่แล้วก็สามารถฆ่ากันตายได้ใช่ไเดี๋ยวนี้ตำรวจเก่งนะที่ไหนมีการฆ่ากันตายหรือมีอาชญากรรมตำรวจจับได้หมดเนะี่ดังนนโดนจับแน่นอนมันไม่มีทางหนีพ้นแล้วก็ไม่พ้นจากติดคุกติดตารางอะไรเยอะๆตามมาเพราะว่ารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคือส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยก็จะเป็นแบบเน้น ไหลก็เป็นอารมณ์ต่างๆได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่ามันพอสตาร์ทเครื่องติดแล้วมันเบรกไม่อยู่ทั้งมันก็ไปเรื่อยๆเลยมันไม่มีเบรกอ่มันไม่มีเบรกเลยนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันจะเบรกได้นะบางเมือนกเราก็มีเบรกอยู่ใช่ไหมคืออรมเนี่ยเราเราไม่อาจที่จะว่าอย่าเกิดขึ้นนะอย่าเกิดขึ้นหรืออย่าไปคิดเนี่ยมันมันห้ามไม่ทันห้ามไม่ได้หรอกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันคิดแล้วมันไปปรุงแต่งในความไม่พอใจในความเป็นโทสะ เหล่านั้นนะเรารู้ทันไหมแต่มาตรงนีกประเด็นสําคัญนี่คือเรารู้ทันไหมนะถ้าเรารู้ทันแล้วหลังนั้นมันก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจําได้ละว่าลมเหล่านั้นมันเป็นทุกข์นะมันมันเป็นทุกข์แล้วมันก็มันก็ไม่อยากจะเข้าไปในลมเหล่านั้นเพราะว่าไม่มีสติกลับมาเออมันเป็นทุกข์นะแล้วถ้าเราไปทําอะไรมันก็จะเกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะทั้งตัวเราแล้วก็บุ้คนอื่นมันก็จะเบรกได้มันก็ไม่ไป นะตรงนี้มันก็ออกจากออกจากอารมณ์ที่ไม่ดีได้นะกลับมากลับมาสังเกตตัวเราเองได้มาบางบางทีนะ่ะคนเขามาว่าเราวนะจริงๆมันก็ จ, จะมีความโกรธได้แต่ถ้าเราเราไม่พูดไปมันก็จะเบาลงใช่ไหมมันก็จะดูดูใจดูใจเขาเล่นนิ้วอ่นะเล่นงิ้วเราดูนะดูใจเขาเล่นงิ้วไปแล้วก็เป็นผู้ดูเขาเล่นงิ้วมันก็อาจจะรังแรงรู้สึกว่ามันก็เออมันอยากจะพูดมากอยากจะพูดอธิบาย อย่างก็พูดบางอย่างให้เขาฟังแต่ถ้าเราเราพูดไปนะไม่มีกําลังสติมันก็ทําให้เกิดอารมณ์เกิดความโกรธต่างๆได้แต่ถ้าเราสามารถดูเขาเล่นนิ้วได้มันก็เก่งนะมันดูแล้วเออดูไฟในใจเรานะเราไมไ่ไปเล่นกับไฟแต่เราดูไฟแล้วในที่สุดเมื่อเราไม่พูดไม่อะไรต่อไปมันก็จะเบาลงเบาลงมันก็จะสงบเป็นปกติได้ง่ายขึ้นมันก็เป็นปกติได้ หลังจากนั้นเราก็ดูอีกฝ่ายเออเขาเป็นปกติไหมใช่หไหมเราเราก็ค่อยไปอธิบายกับเขาเนี่ยมันก็ดีกว่านะดีดีมากโดยเพาะคนที่มีชีวิตคู่นะถ้าทำตรงนี้ได้โอ้มันมันดีมากมันก็ไม่มีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นนะมันก็เราเราไปดูฟุตบอลนะ <laughs> ดูฟุตบอลเน อ, อถ้าเราไปเล่นเองนะมันเหนื่อยใช่ไหมเล่นฟุตบอลมันเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแล้วก็บางทีก็บาดเจ็บอ่าบาดเจ็บสาหัสอ่าต้องโดน หาบอลจากสนามก็มีปะทะการรุนแรงนะเพะมันอันตรายใช่ไหมบางทีเราก็ดีใจเออยิงเข้าประตูดีใจพอเราโดนยิงเข้าเราแพ้นะเราก็เสียใจนะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันเหนื่อยนะมันบางทีไม่เคยคุ้มกันหรอกแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายดูนะมันก็เออเป็นฝ่ายดูมันก็ไม่เหนื่อยเราไม่ได้เป็นคนเล่นนะเราก็เป็นคนดูเฉยเฉยมันก็สนุกแล้วก็ดูไปไม่สนุกก็ดูไปแต่เราไม่ได้เป็นเล่นกับเขาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไม่เหนื่อยมันนักฟุตบอลใช่ไหม าการดูจิตใจก็คล้ายๆเราดูฟุตบอลนั่นแหละเราก็ไม่ได้ไปเล่นแต่เราก็ดูไปอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็ได้นะเราไปห้ามไม่ได้หรอกดีใจเสียใจความรักความเครียดความชังความโกรธความอิจฉาความหึงหวงความน้อยใจมันก็มีได้นะแต่นั้นเราก็แค่ดูมันเราก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นกับมันถ้าเราดูมันเราก็ไม่เหนื่อยเราก็ดูมันไปสแสดงไปนะแต่แต่จากการที่เราดูนั้นนะมันมีกําลังนะเราดูแล้วมันก็มันก็เบาลง มันก็เบรกนะมันก็มันก็ไม่ตามมารมหรอกนั้นมันก็เป็นผู้ดูเฉยๆนะมันก็แล้วถ้าเราดูบ่อยๆมันก็จําเริ่มจํำได้ล้วเออนักฟุตบอลเนี่ยมันเล่นยังไงนะมันรู้หนทางละเออเนี่ยอ่โดนัาโดเล่นยังไงหรือว่าอ่านักฟุตบอลคนนี้เล่นยังไงนะมันจะเริ่มจํำสไตล์เขาได้แล้วใช่ไหมอ่าต่อไปมันเล่นอีกเรารู้แล้วรู้ทางละอ่าถึงเราไปเล่นเองรู้ทางละ โลนันดินโยจะวิ่งมาทางนี้เราต้องดักทางนี้นะมันจะกระโดดมงแน่นอนแล้วเราต้องไปดักตรงนู้นอะไรเงี้ยเริ่มรู้ทางะถ้าเรารู้ทางกินเลรียญแมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมมันจะมาทางไหนเริ่มรู้แล้วอ่าบางทีแค่แค่คนขยับปากแล้วรู้ว่ามันจะมันจะด่าเราหรือมันจะมาชมเรารู้นะดูหน้ารู้นะถ้าหน้าบึ้งๆมาทํานอง น, นี้มันต้องมาว่าเราแน่นอนแล้วนะถ้าหน้ายิ้มๆรู้แล้วก็มาชมเรานะ มันก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นไงเรารู้ทางรู้ทางฟุตบอลละอ่าโดนนันดินโยจะยิงมุมนั้นเนยเราต้องปิดมุมเนี่ยรู้ทันนะสมัยก่อนรู้ไม่ทันน ะ, ะแล้วเมื่อเราชํานาญในเรื่องจิตจิตใจของเราเองนะเรารู้ทันเกล็ดในใจเรามันจะไปมุมนู้นเราก็รู้จะไปมุมนี้เราก็รู้นะเมื่อก่อนเราอสมมุติคนเขาทาผิดเนี่ยเมื่อก่อนเราจะไปวาดเนี่ยเราจะเดินตรงไปเลยหน้าบึง้งเดินตรงไเลยปุ๊บ เราก็ว่าเขาไป็งแรงๆเลยนะอ่ะปาปาแรงๆบางทีก็มานั่งเสียใจเอ้ไม่น่าไปว่าก็เลยนะเรื่องแค่นี้มันก็แก้ไขได้แล้วเราพูดนี้เขาน่าจะเสียใจนะเราก็เริ่มนึกถึงจิตใจนะเขาละอ่าทำงานไปตั้งนานนะพูดนี้ก็จะเสียใจขนาดไหนในชะ่ไหมมันก็เริ่มเสียใจนะแต่ตอหลังนี่พอเกิดเหตุการณ์ชนั้นอีกเราก็เตินไปจะว่าเขาเราเริ่มรู้สึกตัวแนละ้ว มันก็ไม่ไม่ดีนะไปว่าก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเราก็เสียใจเองนะมันมันเริ่มรู้สึกละมันเราเริ่มรู้ทางทางกิเลสของเราแล้วมันจังไม่แบบนี้แบบนี้นะเราก็ไม่ไปว่าแบบสมัยก่อนนะเนี่ยจากเหตุการณ์เนี้ยก็เป็นประสบการณ์แต่ละคนก็รู้ว่าเออทําอันนี้ไม่ดีทําอันนั้นไม่ดีเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วเนาะหรือเราขับรถอ่าบางทีสมัยก่อนแล้วมันมีมันมีเลนซ้ายคือรถมันติดนะแล้วมันเป็นเลนซ้ายมันมันว่างตลอดเลย แตเลนซ้ายไม่มีใครวิ่งนะพราะวิ่งมั น, นมันก็เห็นแก่ตัววิ่งเลนซ้ายแล้วตบไปแทรกเลนขวานะสมัยก่อนเราเห็นใครวิ่งเลนซ้ายแล้วก็เออนิสัยไม่ดีนะวิ่งไปแทรกคนอื่นอะไรเงี้ยนะแต่พอถึงจังหวัดเราอจังหวัดเราเอามาั่งคนอื่นทําได้เราก็ทําได้แล้วก็เข้าเลนซ้ายแล้วไปออกเลนขวานะคนก็ดา่าเรามั่งนะเนี่ยแต่ตอนหลังเราเ ร, รู้เริ่มรู้แล้วไอ้ทำเงี้ยมันก็ไม่ดีนะเห็นแก่ตัวนะถึงมันช่องว้างบ้างเราก็ไม่ไปไม่ไปเนี่ยมันก็เริ่มรู้แล้ว เหตุการณ์บางอย่างนะมันก็มันก็บง่งบอกนิสัยแต่ละคนใช่ไอมถ้าเราทํำมันก็เห็นกันตัวนะทําไปทําไ ม, ไมใช่ไหอ ม, มันก็ไม่ดีนะเราก็เราก็ไม่ทําเพราะเราเรียนรู้ได้อย่างสมัยก่อนก็คือไปงานแต่งงานมีเลี้ยงโตะจีนต่างๆนะอะบางทีเอาเอาของดีๆมาอะไรปลาปลาที่ดีๆนะหรือว่าปลาอะไรที่มันดีแล้วก็ย่ันเขามาปุ๊บ บางคนในโต๊ะก็ไม่เรู้จักกันบางคนมันตักภูงปาเลยตักภูงปลาตักดีๆไปทั้งนั้นเลยไม่มองหน้าใครตักเต็มที่อลไตักไปชิ้นดีๆไปหมดคนนีงก็มองหน้ากันเอนี่มทํำไมเป็นแบบนี้นะแต่คนที่ตักเขาก็ไม่รู้ตัวนะจริงๆนะเป็นคนเห็นแค่ตัวคนต้องสมัยก่อนโต๊ะนี่สิบคนะตัวเองตักของดีๆไปอีกเก้าคนก็มองเนี่ยมันจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ฉลาดนะทําความเอ็แค่ตัวแต่ว่าทําให้คนอื่นเขรู้ใช่ไหม นีมันมันเป็นการที่เรียกว่าไม่ฉลาดใชแต่คนฉลาดก็ไม่เป็นไรเอ่อตักไปเถอะนะเราตักทีหลังก็ได้หรือของดีๆมาก็ใครจะตักก็ตักไปเราก็ตักทีหลังก็ได้อันี่มันมันฝึกตัวเราเองนะเป็นคนอ่าไม่เห็นกับตัวนะไม่เห็นกับตัวคนก็รักเราใช่ไหมขนาดในในโต๊ะจีนเราก็จะเห็นว่าใครนิสัยเป็นยางไรแล้วก็ดูไม่ยากใช่ไหมดูไม่ยากแต่การที่ดูไม่ยากเนี่ยทําไมคนที่เห็นกับตัวทําไมไม่รู้จักตัวเองมันน่าแปลกใจ ไอ้คนเก่าคนก็รู้แต่ทําไมไม่ร <usal aya. S 1> mm ู hmm. ้จ <ai Nelson> mm ัก hmm. ต right ัวเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นนิสัยที่มันสร้างมาเก่าแก่นะเขาเรียกไปร้านนุใสหรือเป็นสันดานเน่ยมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่านี่ต่อหน้าคนไม่รู้จักยังเป็นแบบนี้แล้วอยู่บ้านตัวเองจะเห็นกับตัวขนาดไหนนะมันก็เลยไม่ไม่ต้องไปจินตนาการว่าเขาอยู่บ้านจะเห็นกับตัวขนาดไหนหรือว่าไปทํางานอะไรจะเห็นกับตัวขนาดไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเข้ามาเรียนรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไร นะอาจจะไปคอยดูโทษคนนะอื่นนะเออเห็นคนอื่นทําผิดเนี่ยเห็นเต็มที่เลยนะแล้วก็ไปว่าเป็นอินทาไปเพง่งโทษอื่นแต่ว่าไม่เคยกลับมาดูตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นอนะืตรงที่คนไม่มีสติน่ก็จะไม่รู้จักแม่แต่คนอื่นหรือแม่ไม่รู้จักแม่แต่ตัวเองนะคราวนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกสติมันก็กลับมารู้จักตัวเราเองนะมันไม่ได้ไปรู้จักคนอื่นหรอกมันไม่สําคัญว่าต้องรู้จักใคร แต่ว่าสําคัญว่าเรารู้จักตัวเราเองไหม <c oughs> เพราะเรารู้จักตัวเองแล้วเราแก้ไขตัวเราเองได้แล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะทุกอย่างมันก็จะดีหมดนะเหมือนในครอบครัวเราน ะ, ะทุกคนเนี่ยเขาก็อยู่ปกติดีแต่ถ้าวันใดอ่าคนเรากลับมาจากที่ทํา ง, งานปุ๊บเราหน้าตาบึง้งหน้าตาเครียดอ่าคนในบ้านเราก็เครียดไปด้วยหมดน <c oughs> เครียดหมดเลยนะแต่วันไหนเรากลับมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคนในบ้านเราก็ไม่เครียด เขาก็รู้สึกผ่อนคลายก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นบางคนไม่รู้ว่าจริงๆปัญหารอบๆตัวเนี่ยเกิดจากตัวเรานะโดยเฉพาะที่ทํางานนะเราไปทํางานเราหน้าตาบึง้งเครียดเมื่อไหร่ลูกน้องเริ่มรู้แล้วนี่มันเจ้านายมันเครียดก็เริ่มอ่าเริ่มที่จะอ่าไม่ปกตินะคือทํางานด้วยความเกรงอ่จะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะจะโดนอะไรมั่งแต่วันไห น, นอเจ้านายมาหน้าตา ย, ยิ้มแย้มอย่งางไสลูกน้องก็ผ่อนคลายรู้สึกว่าสบายใจนะเพราะ ตัวเราเนี่ยแหละสําคัญนะมันก็กระเทือนนะกระเทือนไปถึงคนอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปแก้คนอื่นนะแก้ไม่ได้หรอกแก้ที่ตัวเรานะถ้าแก้ตัวเราแล้วทุกอย่างมันดีหมดนะอ่าเขาเรียกว่าเด็ดอ่านะต้นหญ้าสะเทือนถึงดวงจันทร์นะเพราะมันแก้ที่ตัวเรามันก็สะเทือนถึงดวงจันทร์นะมันก็จึงไม่ต้องไปแก้ที่ใครนะบางทีสังคมทุกวันนี้แบบต้องแก้ต้องนู้นต้องแก้ตรงนี้นะอ่านะหรือไม่ก็รัฐบาลต้องแก้ตรงนู้นต้องนิ้ แก้ตรงนี้อหรือไม่ระบกสอสอต้องแก้อย่างนู้นแก้อย่างนี้น ะ, อะสอสอทําไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่ไม่ไมทําแบบนั้นนะทำไมคอร์รัปชันอะไรทั้งหลายแหล่จริงๆไม่ไปแก้ที่สอสอแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเราอแก้ตัวเราก็าคือเรารู้ว่าคนไหนไม่ดีก็อย่าไปเลือกตั้งแล้วนะเราก็ไปลงคนดีแค่ในี้จบเรื่องจั้นะอะไรเนี่ยไม่ไปแก้คนเดือนแก้ตัวเราหลังนั้นก็จะได้สอสอที่ดีๆมาแล้วก็บริหารบ้านเมืองไป มันนั่งทะเลาะกันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรไร่สาระจริงๆใช่ไ่มถ้าแก้ตัวเราแล้วถ้าทุกคนเป็นคนดีะแก้ตัวเองแล้วบ้านเมืองเจริญแน่นอนเพราะว่าคนไม่ดีเนี่ยมาไม่ได้เพราะว่าเราก็จะไปลงให้กับคนดีนะอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่ยะเทือนนะเด็ดต้นหญาทิพย์กระเทือนเหมือนดวงจันทร์เพราะเหตุ น, นั้นเพราะไม่ไปแก้อะไรแก้ตัว เ, เองแล้วตัวเองก็มีอะไรบ้างตัวเองก็มีความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละใช่ไหม มันก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันมันหนีไม่พ้นอารมณ์ทั้งสาตัวนี้เนาะคืออารมณ์ทั้งสามตัวนี้มันก็แยกย่อยกระจายไปเป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆเยอะะใช่ไหมความยินดีความพอใจความรักความอยากได้ต่างๆมันก็มาจากไอ้ความโลภราคะทั้งหลายความโกรธความหงุดหงิดความขัดเคืองความน้อยใจความไม่พอใจความเสียใจความเศร้าความเหงาความกลัวความอิจฉาความหงุดหงิดก็มาจากโทสะ แล้มันก็มาจากไอ้กิเลสสามตัวนี่แหละเราความหลงก็คือเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ต่างๆรู้ไม่เท่าทันกายไม่รู้เท่าทันใจอ่าจิตไม่จังไรแล้วก็รู้ไม่ทันมันนี่มันก็มาจากความหลงเพราะมีความหลงก็รู้ไม่เท่าทันความโลภและความโกรธนั่นแหละข้อนตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นฝนนะฝนที่มันตกลงมาทุกวันนะตกเข้ามาลดลดใจเราทุกวันอยู่ที่ว่าเราอ่ามีลมไหมใช่ไหม หรือบ้านเราเนี่ยมีหลังคาไหมนะถ้าหลังคามันรั่วเราก็ไปซ่อมแซมนะเราก็ไปสร้างหลังคาแล้วก็ไม่โดนฝนต่างๆเหล่านั้นกระทบตัวเราฉันใดนะถ้าเราสามารถมีสติรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจนได้บ่อยๆจนจิตมีความชำนาญที่เรียกว่าเขาสามารถที่จะรู้ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปตั้งใจคือเป็นสติปัญญาที่อัตโนมัติ ที่สามารถทํางานได้เองะรู้เท่าทันได้บ่อยๆนะตรงนี้มันจิตก็จะเป็นปกติได้เรื่อยๆนะแล้วจิตที่เขาดีแล้วเขาก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ ร, รู้ทุกยุททุกเอย่างที่เกิดขึ้นในกายและใจเรานะใจเราจะไปทางไหนเขาก็รู้ทันนะเมื่อก่อนเราก็รู้ไม่เท่าทันนะตาเนี่ยมันสําคัญมากตาเนี่ยเป็นกิเลส ต, ตัวใหญ่เลยนะตาเนี่ยมันยิ่งกว่าหูหูบางทีมัน อาจจะเสียงไม่ดังก็ไม่ค่อยได้ยินนะหรือได้ยินแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีนะครับว่าเขาพูดอะไรบางทีเขาด่าเราเราฟังไม่ครู้เรื่องเราก็ไม่โกรธเพราะว่าเราหูไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ตาเนี่มันอันตรายตานี่มันเห็นชัดเห็นได้ไกลนะเห็นได้ไกลบางทีอย่างผู้ชายบางที่เห็นผู้หญิงอผู้หญิงสวยๆหน่อยหรือแต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นก็เกิดกำหนัดนะเกิดความอ่ เกิดเกิดราคะต่างๆตามาแล้วทั้งทั้งที่ผู้หญิงก็เป็นปกติงนนี้ยนะเขาก็เดินตามธรรมดาของเขาแต่ใจก็เกิดราคะเกิดกำหนัดขึ้นมาตรงนี้มันมั น, มนจึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นมามากมายเนาะเพราะว่าเรารู้ไม่ ท, ทันตาที่ไปกระทบตากระทบแล้วมันก็ส่งมาถูกสู่ใจเกิดความราคาเกิดกำหนัดเรารู้ไม่ทั น, นะหรือตาเนี่ยมันสําคัญมากมันไปเห็น บางที่เห็นป้ายโฆษณาต่างๆแล้วก็จำได้บางทีอ่ไปตามถนนรถวิ่งไปก็เห็นปนา้ายโฆษณาอลด 50% นะตรงนั้นอย่างนี้อซื้อของอย่างนี้ได้ได้ของแถมได้อลดนะตามันก็มองไปเรื่อยๆนะอ่าแต่พอไปผ่านร้านที่เขาประกาศบนรถจริงๆแล้วจากการที่มันมองเห็นนะมันก็เลยไปจอดรถเลยจอดรถไปดูได้รถจริงหรือเปล่านะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเราไปดูรถจริงหรือเปล่า อไปดูอ่าลดจริงๆนะอ่าพันบาทลดเหลือห้าร้อยบาทเนี่ยก็เลยซื้อมาใช่ไหมทางทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่ามันรู้ไม่เท่าทันอ่กิเลสที่มันมันก็มาทางตานั่นแหละแต่มันทางใจเรารู้ไม่เท่าทันใช่ไหมมันพวกนี้มันรู้ไม่เท่าทันความคุงแต่งนะหรืออ่าขับรถไปอ่าเจอเพื่อนเราอเราก็ดีใจนะดีดีใจมากเพื่อนเราอ่าบกมือบายๆกับเราเราก็ดีใจนะดีใจมาก อยากจะรับไปด้วยนะก็รับขึ้นมาปุ๊บมาเพื่อนก็พูดไปเรื่อยๆน ะ, อะตอนนี้พูดไปเรื่อยๆเราก็เออเพื่อนพูดนะเราก็เพลินๆดีแต่ว่าเดี๋ยวเพบอกว่ามีเงินไหมเนะี่ยไม่มีค่ารถกลับบา้านออยากจะไปตายอยวัดนะขอเงินสักห้าร้อยบาทเอาแล้ว <c oughs> เสียงเงินแล้วนะรู้สึกเมื่อกี้ไม่น่านรับมาเลยนะไม่น่ า, นานรับมาเลยรับมาแล้วต้องมาเสียงกันอีกนะเราก็ให้เงินไปแล้วก็านั่งนึกเอ๊ะเมื่อกี้ ไม่น่าไปรับมาเลยนะเพราะตาไปเห็นนะถ้าตาไปเห็นมันก็ดีเหมือนกันนะอ่าตรงเนี้ยเพราะว่าตาเราเนี่ยมันมันจะไปเห็นนู่นเห็นนี่นะอันนี้รับเพื่อก็ดีแต่บางทีไปรับอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมันก็ยิ่งอันตรายใหญ่นะเดียนี้ผู้หญิงหลอกผู้ชายกันมันต้องเยอะใช่ไหมมันก็หลอกกันไปหลอกกันมาเพราะรู้รรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละเราก็ยินดีหรือยินลายไปเนี่ยเพราะตาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะอเราก็ไม่ใช่ว่าระวังตตาอย่างเดียวนะ เราก็ระวังทั้งหมดนะทั้งหูก็เหมือนกันอ่าใครมาชมเราจริงๆแล้วคนมาชมเนี่ยมันมีมีสองประเด็นอะชมด้วยความจริงใจก็มีนะอ่าชมด้วยความจริงใจแล้วก็พอฟังรู้นะเออชมด้วยความจริงใจแต่อีกประเด็นนึงก็คือชมด้วยหวังลาปลักละกันละด้วยการหวังบางอย่างนะเขาเรียกว่าเป็นการประจบประแจงก็มีใช่ไหมเราก็ต้องรู้เท่าทันนะเออชมนี่เป็นอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรนะอ่าเราก็ถ้าเรามีมีสติแล้วรู้ทันเนี่ย ปกติมันก็ไม่เคยมาชมเราไม่เคยมาพูดดีกับเราบางทีแทาจะไม่ไม่มองเราเลยแล้ววันนี้ทำไมมาชมเราทําไมถึงมาพูดดีกับเราเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มสะกิดใจแล้วต้องมีอะไรบางอย่างนะเรารู้เท่าทันคําชมเขานะเราก็มีปัติรู้เท่าทันอ่าหลังนั้นเราก็จะไม่เสียเงินโดยใช่เหตุไม่เสียสิ่งต่างๆโดยใช่เหตุเพาเรารู้เท่าทันนะแต่รู้ไม่ท่าทันเดี๋ยวก็เออชมแล้วเราก็ดีใจก็เพลิดเพินไปก็บคนนี้ดีนะมาชมเรานะ เราก็ยินดีเอคนนี้มันดีจริงๆะมันเห็นเราเป็นคนดีนะหลังนั้นก็ขอเงินแล้วก็ให้ไปนั่งเสียใจเออให้ไปทำไมนะอะไรเงี้ยให้ไปแล้วไม่ได้กลับแน่นอนคนประเภทนี้ mm hmm. ใช่ไหมเนี่ยเพราะเรารู้ไม่ทันทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเนาะอ่าบางคนก็อยู่ตรงนี้นะไปกินอาหารที่นูน่นขับรถไปชั่วโมงหนึ่งมากินแล้วมันมีความสุขมากเลยนะอ๋อนึกอยากไปกินเด็กนะขับรถไปอหนึ่งชั่วโมง อ้าไปกินวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อวันก่อนมันเมื่อวานก่อนมาอร่อยวันนี้ไม่อร่อยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วรู้งี้ไม่ขับมาดีกว่าใช่ไหมอ่ขับรถกลับมารถติดอีกมาถึงที่ทางานไม่ทันโดนเจ้านายว่าอีกนะมันก็นั่งนึกเออมันทํำไมโง่ขนาดนี้นะกินอร่อยแค่ครั้งเดียวทําไมถึงอยากกินอีกนะขับไปต้องไกลเสียน้ํามันค่าน้ำมันนะต้องเท่าไหร่ใช่ไหมขับรถกลับมาก็ไม่ทํางานโดนเจ้านายว่ามันก็เริ่มจํำเลยละมันไม่ดีนะ ไปติดในรสชาติอาหารใช่หไหมเน่ไม่รู้ไม่เท่าทันการที่เราติดในรสชาติอาหารเพราะนั้นคนที่มีปิติมันจะเริ่มรู้ได้เร็วขึ้นนะมันก็เริ่มเบรกได้เร็วขึ้นตรงไหนทางตาแล้วก็เริ่มรู้นะตรงไหนทางหู ก, ก็เริ่มรู้ตรงไหนทางปากหรือทางล้นนะตรงไหนทางจมูกได้กิน่นหรือทางกายทางกายมันก็ติดน ะ, ะนั่งรถต้องนั่งรถ VIP นอนสบายนะนิ่มๆนอนสบายๆนะ สมัยก่อนรถอรถไม่มีรถท่าน ล, ลมนะรถพัน ล, ลมจริงๆรถ่านลมมื่อก่อนก็นั่งได้นะมันก็สบายดีอยู่แล้วแต่ท่านเดี๋ยวนี้รถพัดลมนะท่านไม่มีใครนั่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไปติดความสบายนั่งรถแล้วต้องสบายๆก้อมอ่าสามารถที่จะพิงได้เต็มที่บางทีก็มีโทรทัศน์ให้ดูนะมันไปติดความสบายหลังนั้นถ้านไปรถพัดลมอย่างเก่าก็ไม่มีใครนั่งใช่ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปติด ทำอะไรก็ติดในสิ่งนั้นในรู้ไม่เท่าท Stories, ันกินเลสนะมันก็เลยไปติดเอาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ยิงบอกว่ารู้เฉยๆได้ไหม <Rivera> เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่วรู้ทราบก็สักแต่วา่าทราบอันนี้ก็คือพระเจ้าได้สแสดงให้พาย า, า, าฟังเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ละเพราะฉนั้นเรารู้ได้ไหมเห็นก็เห็นเฉยๆได้ไหมได้ยินก็ได้ยินเฉยๆได้ไหมได้กลิ่นก็ได้ก <eres> ล <Swed S 1> ิ่นเฉยๆได้ไหม ลิ้นกระทบก็กระทบเฉยเฉยไหมอ่ากระทบเย็นร้อนหนาแข็งก็รู้เฉยเฉยได้ไหมใจนึกคิดก็รู้เฉยเฉยได้ไหมเนี่ยถ้ารู้เฉยเฉยก็คือไม่ไปปรุงแต่งต่อรูปเ่าทันแล้วก็เป็นปกติดได้ไหววางแล้วก็ไม่ยึดติดนะตรงนี้ก็เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้เนาะเพราะฉะนั้นในสุดทา้ายนี้ขอราตนาบา ร, รมีคุณพระรัตตยัยน้อนมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอินอ่าท